และนำบทฝาติบทฝาติเป็นบทมักกิยามี45อกาสถูกประทานลงมาก่อนการอพยพของท่านรอสุลลลสละลลหัวลัยวัสลัม บ, บทนี้ได้กล่าวถึงการเริ่มของพระผู้ทรงเนรมิตซึ่งทรงสร้างจักรวาลมาลิกะมนุษย์และยินและได้พิสูจน์หลักฐานให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ถึงการฟื้นคืนชีพและการชุมนุมกัน โฉมหน้าของจักรวาลที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนแผ่นดินที่มีชีวิตชีวาหลังจากแห้งแล้งถึงการให้ฝนตกลงมาการให้พืชผักผ ล, ลไม้งอกเหือยออกมาการหมุนเวียนสับเปลี่ยนของกลางคืนและกลางวันการให้มนุษย์เกิดมาเป็นขั้นตอนและอื่นจากนี้ที่เป็นหลักฐานยืนยันท้งเดชานุภาพและความเป็นเอกะของพระองค์ บท น, นี้ได้กล่าวถึงข้อแตกต่างอย่างมากมายระหว่างผู้ศรัทธากับผู้ปฏิเสธโดยได้ยกตัวอย่างถึงคนตาบอดกับคนตาดีความมืดกับความสว่างเงาร่มและลมร้อนบท น, นี้ได้กล่าวถึงพยานหลักฐานแห่งเดชานุภาพข้อแตกต่างของผลไม้ในสรรพสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเช่นมนุษย์สัตว์ต่างๆปสุสัตว์ ในการแตกต่างแห่งรูปขนาดของภูเขาและก้อนหินและความหลากชนิดระหว่างขาวดําและแดงทั้งหมดนั้นได้แสดงออกมาถึงความยิ่งใหญ่ของพระผู้ทรงเอกาผู้ทรงอํานาจโดยเด็ขาดบทนี้ได้กล่าวถึงสิ่งที่ประชาชนาของมุฮัมหมัดได้รับช่วงมานั้นก็คือสารจากฟ้าฟ้าที่มีเกียรติยิ่งด้วยการประทานคำพีอันประเสริฐ ซึ่งเป็นจุดรวมของความประเสริฐอันหลากหลายแห่งบรรดาคำพีของอลัลลอฮ์จากนั้นได้แบ่งแยกประชาชาติออกเป็นสามจำพวกคือพวกที่บกพร่องกระทำความชั่วพวกที่กระทำความดีและพวกที่รีบเร่งแข่งขันกันทำความดีบนนี้ได้จบลงด้วยการกล่าวประนามและฆ่าโทษพวกบูชาจเจวตในการที่พวกเขา เคารพสการะรูปปั้นจเจวิและหินบทประริษฐถูกขนานนามเช่นนี้เป็นการนำลึกถึงชื่ออันประเสริฐและคุณลักษณะอันงดงามในตอนแรกเริ่มของบทพราะคุณลักษณะอันนี้เป็นการบ่งชี้ถึงความสวยสดงดงามการประดิษฐ์ให้มีขึ้นและการเนรมิตที่ไม่มีแบบฉบับมาก่อนในการนี้ เป็นการกล่าวแสดงถึงการวาดมโนภาพอันละเอียดอ่อนที่บ่งชี้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระผู้ทรงมีเกียรติและเดชาลูภาพอันยิ่งใหญ่ตลอดจนการเมรมิตรที่แปลกประหลาดพระองค์ผู้ทรงบังเกิดมาลัยกะและทรงสร้างพวกเขาในรูปแบบที่ประหลาดและสวยงาม ف ض نام ق ل ف ك ر ا م د ا ي م ه ا ي بفضل م د ا ي ل ه د ا ي بفضل مهداي، ب م د ا ل م ه ض ل ا ي ل ه ا ل مهداي، ب ف ل ا ي بفضل م ل م ه ا ي بفضل ي ض ل ه د ا ي ل م ا ي ب ل ا ب ا ي بفضل م ه ا ي ب د ا ي ب مهداي، ب ف ل م ه د ب ف ي ب ا ي ل د ف ل ي ل م ا ي م ا ي ب ف ا ل ل ه د ل م ه ي ل ي د ي การสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินผู้ทรงแต่งตั้งมาลายกาเป็นผู้นำข่าวผู้ที่มีปีกสองสามและสี่ทรงเพิ่มในการสร้างตามที่พระองค์ทรงประสงค์แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอนุภาพเหนือทุกสิ่ง สิ่งใดที่เราประธานให้จากความเมตตาแก่มนุษยชาติไม่มีผู้ยับยั้งมันได้และสิ่งใดที่พระองค์ทรงยับยั้งไว้ก็ไม่มีผู้ใดให้มันได้หลังจากการยับยั้งของพระองค์ และพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพผูพ้ทรงปริชายาโอ้มนุษย์เอ๋ย พวกเจ้าจงดำลึกถึงความโปรดปรานของอลัลลอฮ์ที่มีต่อพวกเจ้าจะมีผู้สร้างอื่นใดนอกจากอาลัลลอฮ์อีกกระนั้นหรือที่จะประทานปัจจัยอย่างชีพแก่พวกเจ้าจากฟ้าฟ้ า, ฟาและแผ่นดินไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ ดังนั้นทำไมเหล่าพวกเจ้าจึงถูกหลอกลวงให้หันเหออกไปจากความจริงหากพวกเขาปฏิเสธเจ้าแน่นอนบรรดารอศูนก่อนหน้าเจ้าก็ได้ถูกปฏิเสธมาก่อนแล้วและการงานทั้งหลายย่อมถูกนำกลับไปหาอัลลอฮฺ โอมนุษย์ทั้งหลายแท้จริงสัญญาของอัลลอ์นั้นเป็นจริงเสมอดังนั้นเจ้าอย่าให้การดำรงชีวิตในโลกนี้ล่อลวงพวกเจ้าและอย่าให้การหลอกล่อของัชตอน มาหลอกลวงพวกเจ้าเกี่ยวกับอัลลอฮ์เป็นอันขาดถ้าจริงัาตอนนั้นเป็นศัตรูกับพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงถือว่ามันเป็นศัตรูแท้จริงมันเรียกร้องพลพรรคของมัน เพื่อพวกมันเป็นสงหายแห่งไฟที่ลุกโชนช่วงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นสำหรับพวกเขานั้นจะรับการลงโทษอย่างสาหัสส่วนบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความบีนั้น สำหรพวกเขาจะรับการอภัยโทษและรางวัลอันยิ่งใหญ่ ดังนั้นผู้ที่ความชั่วแห่งการงานของเขาได้ถูกทําให้สวยงามแก่เขาแล้วก็เห็นว่าเป็นสิ่งดีแต่ดันั้นนึอแท้จริงอัลลอฮ์ทรงทําให้หลงผิดแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ก็จะทรงชี้ทางที่ถูกต้องแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ดังนั้นเจ้าอยัดทาให้จิตใจของเจ้ากลับกลายเป็นระทมทุกข์เนื่องจากพวกเขาแท้จริงอัลลอฮ์นั้น เป็นผู้ทรงรู้ถึงสิ่งที่พวกเขากระทำละเราเป็นผู้ส่งลมทั้งหลายออกไปแล้วมันได้ทำให้เมฆก่อตัวขึ้น แล้วเราได้มันพัดพาไปยังดินแดนที่แห้งแลง้งแล้วเราได้แผ่นดินนั้นมีชีวิตหลังจากที่มันแห้งแลง้งเช่นนั้นแหละคือการฟืน้นขืนจีบ ลลผู้ใดต้องการอำนาจดังนั้นอำนาจทั้งมวลเป็นของอัลลอฮ์คำกล่าวที่ดีย่อมจะขึ้นอยู่ไปสู่พระองค์แต่การงานที่ดีนั้นพระองค์ทรงยกย่องสันเสริมมันและบรรดาผู้วางแขนชั่วร้ายทั้งหลายนั้นพวกเขาจะได้รับการลงโทษอันเจ็บแสบ และแผนการของชนเหล่านั้นย่อมพินาศ ในคัตตาบอินน์นั่นแหละคือการที่พระเจ้าทรงบังเกิดพวกเจ้ามาจากดินแล้วก็มาจากเชื้ออาสุจิแล้วทรงให้พวกเจ้าเป็นคู่สามีพันยาและจะไม่มีหญิงใดตั้งครรภ์และนางจะไม่คลอดเว้นแต่ด้วยความรอบรู้ของพรลงและจะไม่มีผู้สูงอายุคนใดถูกยืดอายุออกไป แลอายุของพวกเขาก็ไม่มีถูกตัดทอนเว้นแต่อยู่ในบันทึกของพระองค์แท้จริงนั่นเป็นการง่ายดายสำหรั บ, าาบรอ l l า h Ast ast nah ul um และทะเลทั้งสองนั้นไม่เหมือนกันอันนี้จืดสนิทอร่อยน่าดีพอใจในเครื่องดื่มของมัน และ น, นี้เียมจัดและจากทุกแห่งนั้นพวกเจ้าจะได้กินเนื้ออันอ่อนนุ่มและพวกเจ้า เ, าเครื่องประดับออกมาจากทะเลทั้งสองเพื่อใช้มันเป็นอาภรณ์และเจ้าเห็นเรือแล่นฝ่าผิวน้ำไปเพื่อพวกเจ้าจะได้แสวงหาความโปรดปรานของผู้หลง ي ُ و ل ِ ج ُ اللَّيْلَةَ النَّارَ وَيُورِجُ النَّهَارَ, النهار ف ي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ك ُ ل ُّ يَجْرِي ل ِ أ َ ج َ ل ٍ مُسَمَّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا ي َْ ل ك ُ و ن َ م ِ ن ق ِ ط ْ م ي ر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 พวกมันไม่ได้ครอบครองสิ่งใดแม้แต่เยื่อบางๆที่หุ้มเมล็ดอินทพลอะาบ หาพวกเจ้าวิงวอนขอพวกมันพวกมันจะไม่ได้ยินการวิงวอนขอของพวกเจ้าถึงแม้พวกมันได้ยินก็จะไม่ตอบรับพวกเจ้าและในวันประโลกพวกมันจะปฏิเสธการตั้งภาคีของพวกเจ้าและไม่มีผู้ใดแจ้งแก่เจ้าได้นอกจากพระผู้ทรงรอบรู้เท่านั้น โอ้มนุษย์ทั้งหลายพวกเจ้าเป็นผู้ขัดสนต้องการพึ่งอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์นั้นพระองค์ทรงมั่งมีอย่างล้นเหลือผู้ทรงได้รับการสรรเสริ หากระองทรงประสงค์พระอค์ก็จะทรงให้พวกเจ้าูญสิ้นไปและจะทรงนมาซึ่งกลุ่มชนรุ่นใหม่และในการนั้นมีใช่เป็นการยากแก่อรเลหากพรงค์รงประสงค์พระองค์ก็จะทรงให้พวกเจ้าสูญสิ้นไปและจะทรงนำมาซึ่งกลุ่มชนรุ่นใหม่และในการนั้นมีใช่เป็นการยากแก่อรรรชเลย و َ إ ِ ذ تَدْعُ مُثْقَلَةً إلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ د َ ا ق ُ ب ا ً إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُ الصَّلَاةُ و َ م َ ن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ และไม่มีผู้แบกภาระคนใดที่จะแบกภาระของผู้อื่นได้และผู้แบกภาระหนักอยู่แล้วร้องขอผู้อื่นให้ช่วยแบกมันก็จะไม่มีสิ่งใดถูกแบกออกจากเขาถึงแม้ว่าเขาจะเป็นญาติสนิทก็ตามแท้จริงเจ้าเป็นเพียงผู้ตักเตือนบรรดาผู้เกรงกลัวพระผู้อภิบาลของพวกเขาในเรื่องสิ่งเรนลับและพวกเขาปฏิบัติละหมาดและผู้ใดขัดเกลาตนเอง แท้จริงเขาก็ขัดกล่าวเพื่อตัวของเขาเองและยังอัลลอ์เท่านั้นที่พวกเจ้าจะต้องกลับไปแล้วคนตาบอดกับคนตาดีนั้นย่อมไม่เหมือนกันและความมืดกับแสงสว่างก็ไม่เหมือนกัน และเงาร่วมกับพิร้อนของแดดก็ไม่เหมือนกันและคนเป็นกับคนตายนั้นย่อมไม่เหมือนกันแท้จริงอัลลอฮ์ทรงให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ได้ยิน และเจ้าไม่สามารถที่จะให้ผู้ที่อยู่ในหลุมฝังศพได้ยินได้ออเจ้าไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นผู้ตักเตือนแจ้งข่าวร้ายเท่านั้นอออีคนน ถ้าจริงเราได้ส่งเจ้ามาด้วยสัจธรรมเป็นผู้แจ้งข่าวดีและก็เป็นผู้แจ้งข่าวร้ายและไม่มีประชาชาติใดในอดีเว้นแต่จะต้องมีผู้ตักเตือนถูกส่งมาอย่างพวกเขา และพวกเขาปฏิเสธเจ้าแน่นอนบรรดาผู้ที่มาก่อนพวกเขาก็ได้ปฏิเสธมาก่อนแล้วบรรดาศาสนาทูตของพวกเขาได้นําหลักการอันชัดแจ้งมาอย่างพวกเขาและด้วยคํำฟีต่างๆและคําฟีอันแจ่มจรัสถ้าดูลงโทษบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา ดังนั้นการปฏิเสธต่อเราจะเป็นอย่างไรต่อพวกเขาแอลัมต์ร أ อัลลอฮฺอัลเลมินอสสฺมาอิมาน فأخرجنا به فأخرجنا به ثمرات مختلفة الألوانها ومن الجبال ج د َ د بيضٌ وحمرٌ م خ ت ل ف أ ل و ا ن ه ا وغرابي بسود จะไม่ได้พิจารณาดูดอกหรือว่าแท้จริงอลัลลอ์นั้นทรงให้น้ำฝนหลั่งลงมาจากฟากฟ้าแล้วเราเอาลัลลอฮ์ได้ให้พืชผลงอกเงยออกมาจากน้านั้นสีสันของมันแตกต่างกันไปและในเพื่อเขานั้นมีชนิดต่างๆขาวและแดงหลากหลายสี และสีด่างสนิทว่ามนุาย์และสัตว์และสัตว์นั้นก็มีหลากหลายสีเช่นเดียวกัน แท้จริงบรรดาผู้ที่มีความรู้จากพวงบ่าวของพระองค์เท่านั้นที่เกรงกลัวอวัลลอถ์แท้จริงอัลลอ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงอภัยเสมออินฺเลฺีนฺยกฺตลููนฺติฺตาฺบัลลอฮฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺมฺฺฺฺอันฺฺฺฺฺฺมฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺมฺิฺฺฺฺวฺฺฺฺาฺฺฺ แค่เจงบรรดาผู้อ่านคำพีของอัลลอฮ์และปฏิบัติละหมาดและบริจาคสิ่งที่เราได้เป็นปัจจัยอย่างชี้แก่พวกเขาทั้งทางลับและเปิดเผยเพื่อหวังการค้าที่ไม่มีการสบสซาให้วักฟียฮุมอุจูร์ฮุมและ زيد ฮุมินตทัลิ์อินมะฮูระฮูร์ชะกูร เพื่อพระองค์จะทรงตอบแทนรางวัลแก่พวกเขาให้แก่พวกเขาอย่างครบถ้วนและจะทรงเพิ่มความโปรดปรานของพระองค์ให้แก่พวกเขาแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงชื่นชมเสมออัลลอฮอภัยเาอิเลิกะมินัลกิตาบิหัลฮักตุมซัดดิกลลิมาบายยียนาเดย์อินนัลลอฮฺดิอิดะติฮีลบร และคำพีที่เราได้แก่เจ้านั้นมันคือสัจธรรมเป็นการยืนยันสิ่งที่ได้มีมาก่อนมันแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงเห็นปวงบ่าวของพรุ่งซุมนะอัลรัศน์นะอนฺคิตาบนะลลฺบี น, บนสะสุขัยนะมินอิบาดนามมีนะ ف م ลิมุล ل ٌّ لنفسه و َ م ِ ن ْ ه ُม ลและเราได้คำพีเป็นมรดกสืบทอดต่ อ, ตอมาแก่บรรดาผู้ที่เราคัดเลือกแล้วจากวงเบาของเราโดยที่บางคนในหมู่พวกเขาเป็นผู้อาทมแก่ตัวเองและบางคนในหมู่พวกเขาเป็นผู้เดินสายกลา และบางคนในหมู่พวกเขาเป็นผู้รุษหน้าในการกระทำความดีทั้งหลายด้วยอนุมัติของอลัลลอฮ์นั่นคือความโปรดปรานอันใหญ่ห ล, ล, ลวงสวน ส, สวรรค์อันหลากหลายเป็นที่พรมนักอันสถาพร พวกเขาจะเข้าไปอยู่ในนั้นในสวนสวรรค์พวกเขาจะได้ประดับด้วยกำไลทองและไข่มุกและเสื้อผ้าของพวกเขานั้นคือผ้าไหม่และพวกเขากล่าวว่าการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ ซึ่งพระองค์ทร ง, งขจัดความระทรมทุกข์ออกจากเราแท้จริงพระผู้อภิบาลของเราเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงชื่นชมเสมอ ซึ่งพระองค์ทรงอนุญาตให้พวกเราพำนักอยู่ในสถานที่อันสถาพนด้วยความโปรดปรานของพระองค์ความเหน็ดเหนื่อยจะไม่ประสบแก่เราในนั้นและความเบื่อหน่ายก็จะไม่ประสบแก่เราในนั้น ส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาพวกเขาจะได้รับไฟนรกยานนำเป็นการตอบแทนจะไม่ถูกตัดสินลงโทษให้พวกเขาตายเพื่อที่พวกเขาจะได้ตายการลงโทษก็จะไม่ถูกลดหย่อนแก่พวกเขาเช่นนั้นแหละเราจะลงโทษแก่ทุกคนที่เลระคุณ وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا ن ع م ل صالحا غير الذي كنّا نعمل أو لم نعمدكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم المدير فذوقوا فما للظالمين النصير และพวกเขาจัตกรอยู่ในนรกนั้นว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเราขอพระองค์ได้ทรงโกรธนำพวกเราออกไปจากนรกด้วยเถิดเพื่อเราจะได้ปฏิบัติการงานที่ดีอื่นจากที่เราได้เคยปฏิบัติมาแล้วและเราไม่ได้ให้อายุของพวกเจ้ายืนนานพอดอกหรือเพื่อที่ผู้ใครครวญจะได้รำลึกถึงข้อตักเตือนและยิ่งกว่านั้น ได้มีผู้ตักเตือนมามาอย่างพวกเจ้าแล้วดังนั้นพวกเจ้าจงลิ้มรถกาลงโทษเถิดเพราะสำหรับบรรดาผู้อาธรรมนั้นจะไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆเลยอินนัลลอฮอาลีมุไกรบิสเมลวาติวลัอินนฮอลีมุบิติดูแพ้จริงอัลลอฮนั้นทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับในบรรดาชั <drum> <hen> <aries> ้นฟ้าและแผนดิน <Allah> แท้จริงพระองคเป็นผู้ทรงรู้ถึงสิ่งที่อยู่ในสวงอก พระองค์คือผู้ทรงแต่งตั้งพวกเจ้าให้เป็นตัวแทนรับช่วงในแผ่นดินดังนั้นผู้ใดปฏิเสธศรัทธาการปฏิเสธของเขาก็จะตกอยู่แก่เขาการปฏิเสธศรัทธาของเขาจะไม่เพิ่มสิ่งใดให้แก่พวกปฏิเสธศรัทธาหน้าที่พระผู้อบิบาลนของพวกเขาเลยนอกจากความอภยศกสูการปฏิเสธศรัทธาของพวกเขา จะไม่เพิ่มอันใดให้แก่พวกปฏิเสธศรัทธานอกจากความหายนะเท่านั้น。<S <S <S <S จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าไม่เห็นดอกหรือบรรดาภาชีเจวิตของพวกเจ้าที่พวกเจ้าวิงวอนขออืมจากอัลลอฮ์จงแสดงให้เห็นสิว่าพวกมันได้สร้างอะไรในแผ่นดินนี้ได้บ้างหรือว่าพวกมันมีส่วนร่วมในชั้นฟ้าทั้งหลายหรือว่าเราได้คําทีแก่พวกมัน พวกมันจึงยึดมั่นอยู่บนหลักฐานจากคำ น, นิีนั้นเปล่าดอกบรรดาผู้อาธรรมนั้นต่างก็ไม่มีสัญญาอะไรต่อกันนอกจากการหลอกลวงเท่านั้น อถ้าจริงลอละ a h สรงยึดบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเอาไว้มิให้หลน่นลงมาและหากมันทั้งสองหลน่นลงมาก็ไม่มีผู้ใด ย, ยึดมั่นทั้งสองไว้ได้นอกจากพระองค์แท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงขันติผู้ทรงอภัยเสมอ و أ ق อัลกุซ ه ุบิลลอฮิ ن จฮเดอีมาลิ ن แลเอจ่าอุมนบิรُลลั أ َุลน์อะฮดะแลอยกุลน์อะฮดะมิหนอิดะลุมัมฟาลัมมาจ่าอุมนบิรุมมาซัดะ إ ุมอิลลาลุแลพวกเขาได้สาบานตออัลลอด้วยการสาบานอย่างแข็งขันว่า หากมีผู้ตักเตือนมายัางพวกเขาแน่นอนพวกเขาก็จะเป็นประชาชาติหนึ่งที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องยิ่งกว่าประชาชาติอื่นอื่นท่านเมื่อได้มีผู้ตักเตือนมาอย่างพวกเขามันไม่ได้เพิ่มสิ่งใดให้แก่พวกเขานอกจากการเลิกหนี ولا ي ي الم َلَا الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ إِلَّا الْأَوَّلِينَ فَلَنْ يَحِيقُ يَعَضُرُونَ سُنَّةَ لِسُنَّةِ لِسُنَّةِ تَبْدِيلًا اللَّهِ وَلَنْ تَجْدَ تَجْدَ تَحْوِيلًا ด้วยการหิ่งยโสในแผ่นดินและการวางแผนชั่ว แต่แผนชั่วนั้นจะไม่ห้อมล้อมผู้ใดนอกจากเจ้าของของมันเท่านั้นพวกเขาจะคอยอะไรอีกเล่านอกจากแนวทางของบัตรพจนดังนั้นเจ้าจะไม่พบการเปลี่ยนแปลงในแนวทางของอล้อและเจ้าจะไม่พบการผันแปรในแนวทางของอล้อแต่ประการใด أو لم َ يسيروا في الأرض فينظروا َ كيف كان َ عاقبة َ الذين من قبلهم ِ وكانوا ََ أشد ََ منهم ُ قوة ُ وما كان َ الله ُ ليعجزه َُ من شيء َ في السماوات ولا َ في الأرض إنه ُ كان علما ً قديرًا. <تصفيق> َ แล้วพิจารณาดูว่าบ้นปลายของประชาชาติในยุคก่อนหน้าพวกเขานั้นเป็นเช่นใดเป็นที่ปรากฏว่าพวกเขาเหล่านั้นมีพลังเข้มแข็งกว่าพวกเขาแล้วล้อนั้นไม่มีสิ่งใดในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินจะทำให้พระองค์หมดความสามารถไปได้แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงอานุภาพเสมอ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 และหากอาลัลลอฮ์ทรงเอาโทษมนุษย์ตามที่พวกเขาได้ประกอบเอาไว้แล้วพระองค์จะไม่ทรงให้เหลียวไว้บนหน้าแผ่นดินซึ่งสับโลกต่างๆแต่ว่าพระองค์ทรงประวิงเวลาให้พวกเขาจนถึงเวลาที่ถูกกำหนดไว้ทั้นเมื่อกำหนดวาระของพวกเขามาถึงแท้จริงอลัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเห็นปวงบาวของพระองค์เสมอ